ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลาังการะดีกาแปลพระพุทธรักิตาจารชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นเรื่องของอายุของชาวชมพุทธวีปและชาวอุตรกุรุพุทวีปในทวีป อ, อื่นที่แตกต่างกันไปก็ได้สาเหตุที่แตกต่างกัน ในบรรดาทวีปเหล่านั้นชมพุทวีปมีเนื้อที่ประมาณหนึ่งหมื่นโยธอเวจีมหานรกก็เหมือนกันเมืองของพวกอสูรก็เหมือนกันเมืองของทา้าวสกะในดาวดึงเทวโลกก็เหมือนกันปุบพาวิเทหท์ทวีปมีเนื้อที่เก้าพันโยธอุตรกุรทุทวีปเนื้อที่แป0พันโยธอประโคยานทวีปมีเนื้อที่เจ็ดพันโยธ ทวีตั้งสามนี้น้อยลงไปคนละพันคนละพันนะปุภาวิเีหะเก้าพันอุตรากุรุทวีตแปดพันอัประโคโยานะเจ็ดพันนอกนั้นชมพูทวีตเมืองอสูรดาวดึงหมื่นโยธเท่ากันหมดในบรรดาทวีตเหล่านั้นใบหน้าของพวกมนุษย์ในชมพูทวีตมีสันฐานดังเรือนรถแล้วก็มีสันฐานคล้ายๆกับรูปไข่นะ ไบหน้าของพวกปุพพาวิเทหทวีปมีสันธานดังจันทร์เสี่ยวดังพระจันทร์เซี่ยวไปหน้าของพวกอุตรกุรทวีปมีสันธานดังตังสี่เหลี่ยมใบหน้าของพวกอปราก โ, โยยานทวีปมีสันธานดังพระจันทร์เต็มดวงก็คือกลมๆพวกชาวชมพทุทวีปไม่มีกำหนดอายุบางคราวมีอายุหนึ่งอสงไขยบ้างถึงสิบปีบ้างบางคราวก็ถึงสิบปี ถามว่าพระเหตุไรตอบว่าชาวชมปทวีปเหล่านั้นบางคราวมีศีลดีบางคราวทุศีลในเวลาที่มีศีลดีอายุย่อมเจริญในเวลาที่ทุศีลอายุย่อมเสื่อมเพราะฉะนั้นก็อายุตั้งแต่หนึ่งอสงไข่จนทั่งลงมาถึงสิบปีแล้วก็สิบปีจนกทั่งไปถึงหนึ่งอสงไข่อย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นอายุกับ พวกชาวปุกวิเทหทวีปมีอายุเจ็ร้อปีพวกชาวอประโคโยานทวีปมีอายุห0ารอปีพวกอุตรกุรุทวีปมีอายุ 1,000 ปีถามว่าพระเหตุไรตอบว่าพวกอุตรกุรุทวีปเป็นผู้มีศีลดีในการทั้งปวงศีลห้าย่อมบริสุทธิต์ตามสภาวะของพวกชาวอุตรากุรุทวีปนั้นไม่ขาดสาย ไม่มีกำหนดว่าภรรยาของเราบุตรทั้งหลายของเราทาสหญิงชายของเราเงินทองของเรานายสวนของเรากติกรรมก็ไม่มีเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรกุรุทวีตนั้นไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นของตนไม่ถือครองมนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหว่านพืชไม่ต้องนำไถออกไปไถไม่ต้องมีกิจการงานอะไรเลยเพราะว่ามีต้นกัะลประพฤกต์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากต้นไม้ทิพ น, นั้น ก็ถ้ามนุษย์เหล่านั้นต้องการจะบริโภคโภชนะข้าวสาลีก็จะถือเมล็ดข้าวสาลีอันเว้นจากรำและแกลบจากรวงข้าวสาลีที่เกิดเองใส่ภาชนะทองคาแล้วนำก้อนหินไฟสามก้อนมาทำเตาและวางภาชนะข้าวสาลีไม่ต้องใช้ฟืนและไฟในขณะนั้นอันไฟก็ลุกขึ้นจากก้อนหินหุงพัดแล้วดับไปเองเมื่อไฟดับไปมนุษย์เหล่านั้น ก็ถึงจะปรงพัดลงก็รู้ว่าข้าวสุกแล้วเมื่อมนุษย์เหล่านั้นหยิบข้าวสุกนั้นบริโภคไม่ต้องทํากับข้าวและแกงรบที่มนุษย์พวกนั้นปรารถนาและต้องการย่อมสําเร็จเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพวกมนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปนั้นหุงข้าวสาลีอันไม่มีรําไม่มีแกรบสะอาดกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารบนเตาอันปราศจากควันและทาน แล้วบริโภคโภชนะจากที่นั้นก็อัตโนมัติยิ่งกว่ามาอหงข้าวไฟฟ้าเสอีกนะแล้วก็ดีกว่ามากเลยเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าด้วยแล้วก็ไม่มีมลภาวะเป็นพิษด้วยควันขมเหวอะไรก็ไม่มีเลยนะก็ด้วยอำนาจของบุญก็มนุษย์พวกใดไม่ปรารถนาจะ ห, หุงหาอาหารอย่างนี้บริโภคมนุษย์พวกนั้นก็จะบริโภคอาหารจากต้นกลประพฤกษ์ ก็มีทางเลือกให้ด้วยนะอะไรเป็นเหตุให้มีทางเลือกดีๆได้หลายๆอย่างเออเพราะอะไระเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เดินหน้าของบุญอย่างมากเลยแต่ว่าบุญอย่างนี้ก็ได้ความเป็นเหมือนกับเป็นชิปแต่ว่าบรรลุธรรมไม่ได้นะสี่ห้าดีก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีการฟังธรรมะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรวจไปแสดงธรรมไม้ซอนด้วยกับว่าไปรับอาหารเท่านั้น ถามว่าก็โภชนะที่ต้นกลาประพุกสุกแล้วห้อยลงหรือตอบว่าไม่ได้ให้ลงมนุษย์พวกใดพวกหนึ่งต้องการโภชนะก็เข้าไปใกล้ต้นกลาประพุกแล้วเหยียดมือไปที่โคนต้นกลปกระพุกหรือที่ระหว่างกิ่งเพื่อต้องการพัดในขณะนั้นพัดมีรสแกงหลายอย่างมีรสชอบข้าวหลายอย่างคล้อยตามความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นมนุษย์พวกนั้นก็หยิบโภชนะนั้นบริโภค ไม่ใช่แต่พัดอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่ปรารถนาเช่นสิ่งของที่พึงลิ้มพึงดื่มพึงขบเคี้ยวพึงบริโภคผ้าดอกไม้เครื่องประดับที่นอนที่นั่งย่อมสำเร็จโอ้ก็ดียิ่งกว่าห้างสรร์สินค้าต่งตางๆนะเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนแล้วก็ไม่ต้องเสียบัตรเครดิตอะไรต่างๆแต่ว่าต้องมี ต้องมีเหมือนกับอะไรเช็คของขวัญก็คือบุญต้องมีบุญอย่างมากมหาศาลจึงสามารถที่จะได้สิ่งเหล่านี้เหมือนกันก็ต้นกละประพึกนั้นยาวและกว้างร้อยยอ์สูงร้อยยน์มีปริมนทนสามร้อยยอดพวกมนุษย์ในอุตรกุรุทวีทเคี้ยวกินดื่มและประดับดอกไม้ที่ปราถนาเป็นต้นเห็นป่านนี้ไล่ทากลิ่นหอมฟ้อนรำขับร้องประโคมเล่น พาหญิงพวกใดพวกหนึ่งไปเสวยสุขารม์เล่นอย่างเดียวเหมือนกันนะไม่มีกิจการงานอะไรจะทำส่วนพวกผู้หญิงที่ตั้งครันการประสบเวทนาก็คือปวดท้องจะคลอดเกิดขึ้นในที่ใดที่นั่งหรือนอนคลอดในที่นั้นแล้วก็ก็จะนั่งคลอดหรือว่านอนคลอดในที่นั้นแล้วก็ทิ้งทารกทั้งหลายหลีดไปผู้ที่จะให้ทารกที่เกิดอาบน้ําให้ดื่มนมหรือว่าให้บริโภคย่อมไม่มี พอทารกเหล่านั้นเอานิ้วมือใส่ปากเท่านั้นน้ำนมก็จะไหลออกมาทารคเหล่านั้นก็ดื่มน้ำนมสบายไม่ลําบากลุกขึ้นเดินไปแม้นมารดาก็จําไม่ได้ว่าทารกนี้เป็นบุตรของเราเ อ, อ๋อมีหน้านะถึงไม่มีความยึดถือว่าเป็นของใครก็เพราะว่าไม่มีความไม่มีความทุกข์ในความเดือดร้อนเนี่ยความสามมาสำนึกในการจะต้องดูแลก็เลยไม่มีอ่ะไม่มีความทุกข์ กลเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างไปก็เด็กก็ไม่ลำบากก็เลยจํำจะไม่ได้ด้วยก็จําไม่ได้หรอกว่าทารกนี้เป็นบุตรของเราแม้บุตรก็จําไม่ได้ว่าหญิงนี้เป็นมารดาของเราก็เลยทําให้ไม่มีความยึดถือนะว่าเป็นมารดาเป็นบุตรของกันและกันนะนะก็เป็นสิ่งที่เอจะว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะไม่มีความยึดถือว่าบุตรของเราหรือมารดาของเราเนี่ยจะใจจือดเจดําเกินไปหรือเปล่านะ ชีวิตจะดาเนินไปอย่างไรหนออยู่ไปเพื่ออะไรหนอแล้วจะเห็นทุกข์ษัตริย์กันไหมเนี่ยก็คงจะไม่อ่ะนะเพราะว่าความสุขมันปิดบังเบียดเบียนไม่ให้เห็นทุกข์อ่ะก็เลยคนที่ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมแล้วนะมารดากับบุตรนั้นแม้จะจากันไม่ได้อย่างนี้ราคะย่อมไม่เกิดแก่กันและกันเพราะกำลังแห่งธรรมดาทุกๆเจ็วันพวกชาวอุตรากุรุวีปนั้นจะเสดเมถุนกัน พวกเขาไม่มีการยึดถืออย่างนี้พวกชาวอุตรคุรุทวีปนั้นดำรงชีพอยู่หนึ่งพันปีอย่างนี้แล้วเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วย่อมเกิดขึ้นในอุตรคุรุทวีปนั้นนั่นแลหรือในสวรรค์พวกชาวอุตรคุรุทวีปย่อมไม่บังเกิดในอบายเพราะว่ามีศีลบริสุทธิ์ไม่มีการล่วงศีลไม่มีปัจจัยที่จะทําให้ล่วงศีลเลยนะนับแต่พวกมนุษย์เกิดปรากฏในปฐมกัจจนถึงกับอวสาร สมบัติของพวกอุตรากุรทวีปนั้นเป็นเช่นเดียวกันแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนบันลังเดียวแลย่อมทรงเห็นย่อมทรงสแสดงยอ่ยอมทรงแทงตลอดซึ่งประมาณที่เล็กอย่างยิ่งหรือประมาณแห่งภูเขาเซเมรุที่มีอยู่ในทวีปใหญ่สีทวีปมีทวีปเล็กสองพันทวีปเป็นบริวารและในจักรวาลทั้งสิ้นนั้นทั้งหมดซึ่งสัตว์ทั้งหลายหรือ ซึ่งสังขารทั้งหลายที่กําลังจุติหรือที่กําลังอุบัติที่สามที่ประณีดด้วยทิพพระจักขูอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักขุมีพระยานมีอัดมีธรรมตรัสบอกทรงนํามาซึ่งประโยชน์ทรงเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตพระเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าสิ่งไรๆในไตรโลกธาตุนี้ ที่พระปัญญาจักสุของพระตถาคตเจ้านั้นไม่เห็นไม่มีเลยอันนึ่งธรรมชาติอะไรอะไรที่ควรรู้แล้วพระพุทธญาณไม่รู้แจ้งก็ไม่มีธรรมชาติที่ควรรู้ใดมีอยู่พระตถาคตได้ทรงทราบธรรมชาติที่ควรรู้นั้นทั้งหมดเพราะเหตุนั้นพ ร, พระตถาคตเจ้าจึงทรงพุนามว่าสมันตะจักขุทรงมีดวงตารอบด้านนี้คือการพรรณนาเรื่องมนุสยโลก พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในมนุษยโลกนั่นเทียวอย่างเดียวหาไม่ได้ย่อมทรงทราบแม้อบายทั้งสี่ก็อบายสี่คือนรกกำเนิดเยราชจานเปรตวิสัยอสุรกายในคำเหล่านั้นคำว่าอโยคือสุขความเจริญความสุขไปปราศจากประเทศนั้นเพราะเหตุนั้นประเทศนั้นชื่อว่าอบาย คือประเทศที่ปราศจากความเจริญในอบายสี่นั้นข้าพเจ้าจะกราวพรรณนาทุกขของสัตว์เดรัจฉานที่ประจักษ์แก่พวกมนุษย์ก่อนในสี่อย่างนั้นที่ชื่อว่าสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าและสัตว์มากเท้าเช่นสีห่หะช้างมา้าโคกระบือสุนัขงูแมลงปองจึงอยู่สัตว์เหล่านั้นยังมีสัญญาสามประการนี้ไม่ขาดระยะคือ กามสัญญาโคจรัสัญญามรณสัญญาส่วนธรรมสัญญาหาได้ยากยิ่งก็ในสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นฝัตทั้งหลายที่จะชื่อว่ากระทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นกสิกรรมและโครกขกรรมย่อมไม่มีสัตว์เหล่านั้นเคี้ยวกินหญ้าและใบไม้เป็นต้นเคี้ยวกินกันและกันเคี้ยวกินสัตว์ที่กําลังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นจึงมีความกลัวตายไม่ขาดระยะนี่อันนี้ก็เป็น เรื่องของมรณะสัญญานะในกลัวตายตลอดเพราะความกลัวตายพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นจึงแสวงหาที่ซ่อนแล้วก็เคี้ยวกินอาหารในที่นั้นๆัพวกสัตว์เดรัจฉานนั้นกระทําปานาติบาจนตลอดชีวิตจึงบังเกิดในอบายอีกเป็นความจริงพวกนกแรง้งย่อมกินพวกงูพวกงูก็กินพวกกบพวกกบก็กินพวกมแมลงพวกแม่ถีหะ แม่เตือโคลงแม่เสือเหลืองและแม่โคแต่ละพวกคลอดลูกออกมาแล้วเมื่อหาอาหารอย่างอื่นไม่ได้อดกลั้นความทุกข์เนื่องจากความหิวไม่ได้จึงทิ้งความรักลูกแล้วก็กินลูกลูกที่วิ่งเข้าหาเพราะความรักแม่หรือเพื่อจะดูดกินน้ำนมสัตว์บางพวกก็เกิดมาคืบคลานไปไปมาอยู่ในซากตบมนุษย์คือพวกกิมิชาตเป็นต้น หรือเกิดขึ้นในบอ่อน้ำคล้มมีกลิ่นเหม็นกินซ่าศบต่างๆแห้งตายไปเพราะความร้อนในร่างกายมนุษย์นี้มีหมูน่นอนประมาณ80ตระกูลบังเกิดอยู่ร่างกายนี้แหละเป็นสถานที่คลอดลูกหลานของตนของหมูน่นอนนี้เหมือนกับห้องคลอดร่างกายนี้แหละเป็นสถานที่หากินเหมือนกับเป็นโรงอาหารร่างกายนี้แหละเป็นสถานที่นอนเหมือนับเป็นกระดหัต ร่างกายนี้แหละเป็นสลาบำบัดผู้ป่วยไข้เหมือนกับเป็นโรงพยาบาลและร่างกายนี้แหละก็เป็นป่าช้าก็คือเป็นสุสานฝังพวกเจ้ากิมีชาตเหล่านั้นนั่นเองในอังคุตนนันนกายเอกนิบาศีพระพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสไว้นะว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยที่จุติจากสัตว์เดรัจฉานแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดานั้นน่มีน้อย แต่ว่าจุติจากสัตยรชาลแล้วกลับมาเกิดเป็นสัตยรชาลเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนั้นมีมากกว่าโดยแท้นะพี่ชั้นก็เมื่อไปเป็นสัตยรชาลแล้วก็ยากาเลยนะที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยนะเป็นห้องขังที่เหนียวแน่นมากนะกะเปาะกรงขังของของสัตยรชาลออกมานี้ยากนะพวกมนุษย์ ฆ่าสัตว์ผู้ปราศจากความผิดตายเพื่อประโยชน์แก่ขนเล็บเส้นเอ็นหนังเนื้อเขากระดูกแห่งเนื้อทายเป็นต้นพวกชนชาโยนกจับเป็นพวกแม่โครหรือพวกเนื้อแล้วก็ผูกขาสี่ขาไว้กับหลักแล้วสุมไฟเอาน้ำเกลือให้ตัดเหล่านั้นที่สะดุ้งกลัวดื่มเข้าไปเอาน้ำร้อนก่อเข้าทางปากที่อ้าอีกแล้วใช้ท่อนไม้ทุบให้เนื้อพองขึ้น ถลกหนังตัดศรีรษะรองโลหิตที่ไหลออกปิ้งเนื้อที่มีเลือดแล้วก็เคียวกินสัตว์บางพวกไร้อำนาจถูกตีด้วยท่อนไม้และสับด้วยขอถูกขู่ด้วยประตัดส้นเท้าและฝ่ามือโดยมากย่อมนำภาระไปสัตว์พู้นี้ก็ได้แก่พวกวัวควายมา้าลาสัตว์มีกำลังมากมีกำลังน้อยเที่ยวไปตามความพอใจไม่ได้เพราะเชือกหลายเส้นที่ผูกไว ถูกพวกมนุษย์นำมาใช้งานของตนสัตว์พวกนี้ก็ได้แก่พวกช้างพวกวัวพวกป่ายพวกอูดสัตว์บางพวกถูกเทียมไว้ที่แอกรถที่ไถหรือที่เกวียนถูกผูกคอไว้ถูกขู่แล้วก็นำภาระหนักยิ่งไปก็คือพวกม้าพวกลาพวกควาพวกสุนัขสุนัขลากลาดเกวียนลากอะไรก็มีนะในประเทศเมืองหนาวพวกสัตว์ที่เจ้าของยกสิ่งของที่เป็นภาระจํานวนมาก ซึ่งขนไปไม่ไหวให้แล้วไม่มีความสามารถที่จะพูดว่าข้าพเจ้าไม่สามารถนำไปร้อนหนักหิวกระหายนักพวกเขาย่อมเคียนตีพวกสัตว์ที่ไม่สามารถที่ยืนเฉยที่สามกำลังซ้ำแล้วซ้ำอีกอดคลวนก็ไม่ได้นะเพราะว่าอาุป ก, กรรมนำมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่จะต้องมาล่าขนพาระต่างๆข้อความนี้บัณฑิตพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ เพราะข้าพเจ้าถือเอาในที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในสุดตันตะหลายแห่งนำมาอธิบายยกเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบผู้ทรงรู้ชัดทมทั้งปวงใครอื่นจะสามารถทราบและกล่าวเรื่องทุกอันไม่มีที่สุดซึ่งมีอยู่ในถัดรดชานทั้งหลายได้ด้วยประการชนิดดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกล่าวเพียงเล็กน้อย นี่คือการพัฒ น, นาความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนะเพราะว่าทุกข์มหันอย่างมากเลยทีเดียวบุคคลเหล่าใดในมนุษยโลกมักริษยากรณีไม่ให้ทานแม้ด้วยตนยังห้ามพวกที่ให้ทานเป็นคนเห็นแก่ตัวบุคคลเหล่านั้นย่อมเกิดในพวกเปรตพวกเปรตนั้นหิวและสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาร้อยปี พันปีแสนปีและพุทธันดอนหนึ่งก็ยังไม่มีอาหารแม้เพียงข้าวตังมเมล็ดหนึ่งน้ํำดื่มแม้สักหยดหนึ่งจะพึงกล่าวความทุกข์อะไรถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าก็จะขอข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวสักเล็กน้อยพวกเปรตนั้นถูกความหิวกระหายกลุ้มร่มอยู่ไม่ขาดระยะจึงไม่มีเนื้อและเลือดพวกเปรตนั้นมีเพียงหนังกระดูกและเส้นเอ็น หัวโตวมีแต่หนังหุ้มที่โครงหัวฝีที่ในตาแตกเยิมผมยาวรุงรังปกใบหน้าเปลือยกายผิวหนังไม่งามดูหน่ากลัวนอนกายสูบสีดเพราะความทุกข์ที่ตามแผดเผาในภายหลังพวกเปรตนั้นซึ่งนอนอยู่อย่างนี้ได้ยินเสียงผิดไปว่าท่านผู้เจริญด้วยตันหาจงมาจงกินจงดื่มพวกเปรตนั้นสำคัญว่าเป็นจริง สู่ความอยากครอบงำไม่อาจจะลุกขึ้นได้ต่างเหนียวกันและกันล้มระเนระนาดแล้วลุกขึ้นวิ่งตั้งแต่เกิดจนร้อยปีบ้างพันปีบ้างพาการคิดว่าพวกเราได้คำพูดว่าข้าวและน้ำโดยยากพาการส่งเสียงว่าจงให้แกเราจงให้แกเราพาการประทองกอบมือวิ่งไปหลายโยนดก็ยังไม่เห็นผู้ที่จะให้ในลำดับนั้นพวกเปรตนั้นได้ยินคาว่า ท่านผู้มีทุกข์มหันคนที่จะให้ไม่มีพวกเปรตนั้นได้รับความทุกข์เพราะความหวังทำลายต่างร้องหวยหวนล้มลงเหมือนต้นไม้รากขาดล้มลงความจริงที่เป็นอย่างนั้นเป็นกรรมของพวกเปรต น, นั้นพวกเปรต น, นั้นสูบซีดเพร่อเหตุอะไรหนอเสียงที่ดุร้ายก็ไม่มีเมื่อสิ่งของที่ควรจะให้มีก็ไม่มีคนหยิบยื่นให้ ดังนั้นจึงพาการร้องขอโลกของเปรตเป็นทุกข์หาที่สุดมิได้พวกเปรตนั้นมีชีวิตเฉยชาในที่นี้จะพันนาอย่างไรดีหนาที่พรนนาแล้วเหมือนเพียงเท่าหยาดน้ำนี้คือการพรนนาเรื่องทุกข์ของเปรตคำว่าอสุรกายโยมูอสูนคือเพราะที่ชื่อว่าพวกอสูนก็คือ พวกที่เป็นเปรตในการบางคราวฉะนั้นพวกอสูรนั้นก็จัดเข้าในพวกเปรตบัตนี้จะพันานานรกมหาน ร, รกแปดขุมนี้คือสัญชีวะนรกหนึ่งการสุตตะนรกหนึ่งสังคาตะนรกหนึ่งโรรุวะนรกหนึ่งมหาโรรุวะนรกหนึ่งตาปณะนรกหนึ่งปะตาปะณะนรกหนึ่ง อเวจีมหานรกหนึ่งก็เป็นแปดคุมด้วยกันนรกเหล่านั้นทั้งหมดมีผนังสี่ด้านมีประตูสี่ประตูมีพื้นเป็นเหล็กมีฝาเป็นเหล็กครอบด้วยเหล็กอยู่ถัดๆกันสูงเก้าร้อยโยต์ยาวและกว้างร้อยโยต์ฝาเหล็กแต่ละฝาหนาเก้าโยน์นรกแม้ทั้งหมดนั้นมีเปลวไฟลุกโผร่อยู่ไม่ขาดระยะตลอดกับ พวกสัตว์ที่เกิดขึ้นในนรกเหล่านั้นย่อมมีหน้าที่เป็นเชื้อไฟเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าต่อให้บุคคลมีปากหมื่นปากก็ตามจะพึงพัฒนาความทุกข์ในนรกทั้งหลายได้อย่างไรหนอเมื่อไม้อ้อลุกโผลงอยู่ตลอดกับให้มีตั้งหมื่นปากนะพัฒนาความทุกข์ในรกก็พัฒนาไม่ได้หรอกก็ความทุกข์ของสัตว์ ที่ร่างกายละลายแล้วมีเพียงไรก็บุคคลเหล่าใดในโลกนี้ไม่มีศรัทธาไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสเป็นมิจฉาทิฏฐิตระณีเห็นแก่ตัวกระด้างไร้กรุณาไรความคิดในหน้าที่ทำเป็นเหมือนใช้มีดถากมาไม้มิได้คิดถึงว่านี้เป็นทุกข์ของสัตว์เหล่านี้ฆ่าสัตว์จองจำสัตว์ตัดอวัยวะของสัตว์กระทาตานาติบาตม่ว่างเว้น แย่งชิงสิ่งของที่ผู้อื่นหวงแหนเอาเป็นของตัวด้วยโจรกรรมประพฤตินในภรยาของผู้อื่นพูดเท็จด้วยการอ้างพยานโกงเป็นต้นเพื่อให้ผู้อื่นชิบหายดื่มสุรากระทำอนันตริยกรรมห้าประการเป็นคนมีมิจฉาทิฐิดิงดาบริภาษพระรัตนตรยัยบุคคลเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นในมหานรกแปดขุมนี้พึงทราบประมาณแห่งอายุในนรกเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะกรรม ปัจจัยและระดูก่อนดังต่อไปนี้ก็ประมาณแห่งอายุของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาเก้าล้านปีประมาณแม้ทั้งหมดนั้นเป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งในสันชีวานรกที่กล่าวไว้เป็นขุมที่หนึ่งขุมที่หนึ่งคือสันชีวานรกนะ วันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวานรกเนี่ยเท่ากับอายุทั้งหมดของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งคือสวรรค์จตุมหาราชิกานะเก้าล้านปีนี่เลยครับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสันชีวานรกโอ้ตามราตรีนั้นสามสิบราตรีเป็นหนึ่งเดือนตามเดือนนั้นสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีตามปีนั้นห้าร้อยปีเป็นประมาณแห่งอายุในสันชีวานรกสวรรค์ชั้นเจตุมหาราชนี่ก็มีอายุห้าร้อยปีทีบนะ ของสันชีวันรกก็ห้าร้อยปีนรกเหมือนกันแต่ว่าห้ารอยปีนรกห้าร้อยปีที่ของเทวดานีนต่างกันมากเลยนะของมนุษย์เรานี่ห้าสิบปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นจ่าตุมหาราษร์ชั้นที่หนึ่งแล้วก็สวรรค์ชั้นนั้นก็มีอายุหน้าปีมนุษย์ก็เท่ากับเก้าล้านปีมนุษย์นะแต่ว่าเก้าล้านปีของมนุษย์เนี่ยนะ ซึ่งเป็นอายุของสวรรค์ชั้นจตุมหาราชทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งก็เป็น500ปีที่ของเขา9้านปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วัน1คืนของนรกชั้นที่หนึ่งขุมที่หนึ่งก็คือฝันชีวันนรกนั่นเองแล้วก็คูณไปนะนี่ถ้ากับวันเดียววันคืนหนึ่งนะ9้านปีคูณไป500ปีนรกอะ่ะจะอายุเท่าไหร่โอ้โหท้นตุดไม่ได้เลยนะมากมายประมาณไม่ได้ พวกเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุประมาณสามสิบหกสหกแสนปีนะก็คือสาโกดหกสิบแสนปีอ่าสี่เท่าของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชสามโกดหกสิบแสนปีประมาณฮะประมาณแม้ทั้งหมดนั้นเป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งในกาละสุตตนรกเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกกลุ่มที่สอง ตามราตรีนั้นสามสิบราตรีเป็นหนึ่งเดือนตามเดือนนั้นสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีตามปีนั้นหนึ่งพันปีเป็นประมาณแห่งอายุในการละสุดนรกก็สวรรค์ชั้ น, นดาดึงก็มีอายุพันปีเหมือนก 1, ันพันปีทิพย์เท่ากับสามิหกโกฏล้านปีของมนุษย์นะแต่ว่าสามสิหกโกฏลายหกสิบแสนปีเนี่ยนะเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของนรกขุมที่สองเท่านั้นเอง พวกเทวดาชั้นยามามีอายุประมาณสิบสี่โกดสี่สิบแสนปีประมาณแม้ทั้งหมดนั้นเป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งในสังคาตะนรกกลุ่มที่สามตามราตรีนั้นสามสิบราตรีเป็นหนึ่งเดือนตามเดือนนั้นสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีตามปีนั้นสองพันปีเป็นประมาณแห่งอายุในสังคาตะนรกมีอายุสองพันปีนรกพวกเทวดาชั้นดุสิตมีอายุ ประมาณห้าสิบเจ็ดโกดหกสิบแสนปีประมาณแม้ทั้งหมดนั้นเป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งในโรรุวะนรกขุมที่สี่ตามราตรีนั้นตามเดือนนั้นตามปีนั้นแล้วก็อายุสี่พันปีเป็นประมาณแห่งอายุในโรรุวะนรกมาสี่พันปีนรกนะพวกเทวดาชัน้นนิมมนรดีมีอายุประมาณสอง ร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบโกดก 40, ับสี่สิบแสนปีประมาณแม้ทั้งหมดก็เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งในมหาโรรู้ว่านรกขุมที่ห้าตามปริตรนนั้นตามเดือนนั้นตามปีนั้นเหมือนกันแล้วก็แปด0ันปีเนี่ยเป็นประมาณอายุของนรกชื่อว่ามหาโรหรืว่านรกนะแปดพันปีของสวรรค์นิมาราตีนั้นเขาก็แปด0ันปีเหมือนกันนะแปดพันปีทิบเท่ากับสองร้อยสามสิบโกดสี่สิสี่สิบแสนปีของมนุษย์ แต่ว่าไปเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในนรกชื่อมหาโรหรือว่านรกประมาณแห่งอายุของพวกเทวดาชั้นปารณิมิตวสวัตดีพระอนุรุธทธาจารย์กล่าวไว้ว่าในสวรรค์ชั้นปารณิมิตวสวัตดีมีอายุประมาณเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดโกรกับหกสิบแสนปีแม้ทั้งหมดนั้นเป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งในตาปณ ะ, ะนรกขุมที่หก ตามราตรีนั้นตามเดือนนั้นตามปีนั้นแล้วก็หนึ่งหมืนหกพันปีเป็นประมาณแห่งอายุในตาปณ น, ะนรกนะของสวรรค์ชั้นที่หกเนี่ยปรณิมิตวสุวตีเนี่ยก็มีอายุเท่ากับหนึ่งมืนหกพันปีทิพย์เหมือนกันหนึ่งหมื่นหกพันปีทิพย์ก็เท่ากับว่าเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดโกฏหกสิบแสนปีของมนุษย์แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในนรกชั้นที่ขุมที่หกนี้ตาปณ น, ะนรก ในปะตาปะนรกขุมที่เจ็ดท่านแบ่งอันตรกับเป็นสองส่วนตามอันตรกับนั้นส่วนหนึ่งเป็นประมาณแห่งอายุในปะตาปะนรกขุมที่เจ็ดนี่นะก็คือครึ่งอันตรกับนั่นเองครึ่งอันตรกับนี่ก็ยาวนานมากแหละในอเวจีมหานรกขุมที่แปดมีอายุประมาณหนึ่งอันตรกับโอ้ยาวนานมากเลยนะหนึ่งอันตรกับเนี่ยในเรื่องอันตรกับนั้นที่ชื่อว่าอันตรกับคือ เมื่อพวกมนุษย์เจริญขึ้นตามลำดับตั้งแต่สิบปีจนมีอายุหนึ่งอสงไขยเสื่อมไปอีกจนถึงมีอายุสิบปีการประมาณเท่านี้นับเป็นอันตรกับหนึ่งยาวนานขนาดไหนก็ในเรื่องน Justin, so ี้ท่านอาจารย์พูดท้วงกล่าวว่าอายุของพวกสันนรกมากหรือเกินอายุของพวกเทวดาน้อยหรือเกินผลแห่งบาปเท่านั้นมากผลแห่งผลแห่งบุญน้อยหรือทำไมมันถึงให้ผลต่างกันมากอย่างนี้ ท่านอาจารย์ผู้เฉลยกล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นผลแห่งบาปและบุญทั้งสองมากเหมือนกันแต่ว่ามีเหตุอย่างหนึง่งหากจะถามว่ามีเหตุอะไรก็ตอบว่าก็บุคคลคนหนึ่งถวายทานรักษาศีลเจริญเมตตาจนตลอดชีวิตแล้วเกิดในหมู่เทวดาพวกใดพวกหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นเกิดในหมู่เทวดานั้นย่อมมีการมราคาแรงกล้าเพราะมีทิพยสมบัติและความสุขมาก เนื่องจากมีสมบัติมากบุคคลนั้นจึงถือตัวอย่างยิ่งยกย่องตนเป็นคนที่มากไปด้วยความริษยาและความตรนีต่อแต่นั้นกุศล จ, จิตของบุคคลนั้นก็น้อยก็คือเฉยชาแม้ถ้ากุศล จ, จิตจะพึงเกิดขึ้นสถานที่ที่ควรจะให้ทานหรือว่ารักษาศีลก็ไม่มีเพราะฉะนั้นบาปทำเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นในสันดานของตนย่อมยังบุญกรรมที่กระทำไว้ในการก่อนให้สิ้นไปดุดก้อนเหล็กที่ถูกขัดสี ไม่มีกุศลธรรมที่ให้กำลังสนับสนุนเพราะฉะนั้นบุคคลนั้นจึงมีอายุน้อยถ้ามีบุญอย่างอื่นที่บุคคลนั้นได้กระทำไว้ในการก่อนก็ยังไม่ให้ผลอยู่มากซึ่งยังไม่ให้ผลอยู่มากบุคคลนั้นจะเกิดในเทวโลกอื่นบุคคลคนหนึ่งกระทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นมากย่อมเกิดในมหานารกทุกขเวทนาอย่างหนักย่อมเกิดขึ้นจนบุคคลนั้นทนไม่ได้ เมื่อบุคคลนั้นไม่สามารถอดกลั้นทุกขเวทนานั้นความลำบากอย่างหนักย่อมเกิดขึ้นบุคคลนั้นย่อมโกรธตนเองย่อมเสียใจโดยคิดว่าเรากระทำบาปไว้หนอเราไม่ทำตามคำของเหล่าบัณฑิตเรายังโภคะที่ตนได้มาให้พินาศไปยกย่องตนถือตนให้กระทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นเราไม่สามารถที่จะใช้โภคะเช่นนั้นให้ทานกระทำการบูชาหรือรักษาศีลได้ ปฏิฆะชาวนะเกิดขึ้นไม่ขาระยะเนื่องจากเขามีทุกข์เป็นอารมณ์ย่อมคขำจุนให้กําลังสนับสนุนบาปที่เขากระทําไว้ในการก่อนเพราะฉะนั้นบาปของเขาย่อมเพิ่มขึ้นย่อมให้เขามีอายุยืนยาวหลังจากนั้นเมื่ออายุในนรกนั้นติ้นไปบาปทำมิใช่น้อยคือบาปอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอีกย่อมเป็นประดุจจะขอโอกาสก็าบาปกรรมที่ยังไม่ได้ให้ผลอันใดที่มีอยู่บาปกรรมนั้น ก็ไม่ให้เขาเบาใจแก่บุคคลผู้กระทำปาณาติบาตนั้นแน้ชั่วระยะการเพียงบีดนิ้วมือย่อมโยนลงในมหานรกขุมอื่นก็เมื่อเขาประสบกับคติวิบัติบาปที่เขากระทำไว้ในสังสารวัตรเป็นอเนกชาติก็มารวมรงในที่เดียวกันเมื่อกรรมอย่างหนึ่งสิ้นไปบาปทํามิใช่น้อยคือบาปทำอย่างอื่นอย่างอื่นอีกย่อมเป็นประดุดจะขอโอกาสเพราะเหตุนี้อายุในอบายจึงมากยิ่ง ในมหานรกแปดขุมนั้นแต่ละขุมมีอุสุธนรกอีก16หกขุมก็คือนรกที่เป็นบริวารในนรกเหล่านั้นในระหว่างมหานรกไม่มีนายนิรยาบาลมิใช่วิสัยของพวกนายนิรยาบาลนั้นนายนิรยาบาลมีอยู่ในอุสุธนรกนายนิรยาบาลแม้เหล่านั้นบังเกิดในอุสุธนรกนั้นเพราะบาปกรรมนั่นเองเป็นดุลมีเหตุในมนุษยโลก อุจสทานรกทั้งหลายยาวและกว้างไม่มีประมาณมหานรกแต่ละขุมกับอุจสถนรกสิบหกขุมประมาณหมื่นโยอสมดังที่พระพุทธโกสจารย์กล่าวไว้ว่าอเวจีมหานรกยาวและกว้างหมื่นโยอในบรรดานรกเหล่านั้นอุจสถนรกทั้งปวงไม่สามารถจะพรนานาได้อุจสถนรกที่ตั้งแวดล้อมสันชีวนรกที่ตั้งอยู่เหนือนรกทั้งหมดพึงทราบอย่างนี้ ก็ที่ข้างแต่ละข้างแห่งสันชีวนรกมีอุศธนรกสิบหกขุมข้างละสี่ขุมสีท่ทิศทิศละสี่ขุมซึ่งก็จะได้กล่าวในวันพรุ่งนี้วันต่อไปนะเพราะว่ารายละเอียดในนรกที่เป็นอุศธนรกมีถึงสิบหกขุมด้วยกันซึ่งก็มีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเพื่อสวยผลของก ร, รมชั่วแต่ว่าเบาลงมาแล้วกว่ามหานรกแปดขุมนั้นนะ อันนี้ก็เป็นผลของอุปตรกรรมที่ทำไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากอาุปตรกรรมแล้วก็น้อมนำอุปตรกรรมให้มาอยู่ในจิตใจเจริญทางกายทางวาจาและใจอบรมไตรสิกขาเพื่อจะได้ไม่ไปตูมหานรกและอุสัทนารกเหล่านี้อีกต่อไปก็คือบรรลุเป็นพระตัวดบับบันอย่า ง, างที่สุดนั่นเองสาธุสาธุสาธุ